อนาปฏิวันพิกุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบาัตคือ878 1. ภิกษพิุณีมุ่งอัด 2. ภพิกุณีมุ่งทรรา 3. พิกุณีมุ่งสั่งสอน 4. พิกุณีวิกลนจริต 5. ภพิกุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่9จบ